โมตสะภพะวะโตราโตสัมมาสัมพุทธสัะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นพุธทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดเรื่องอริยสัจ ท, ที่แสดงโดยละเอียดพิจาร้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่า คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความรับทันใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความที่ตนปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์สีกืทั้งหลายก็ความเกิดเป็นอย่างไรเล่ากาวคือการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งภาวะแห่งความปรากฏของขันทั้งหลายความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิ่ยนั้ น, น, น ของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความแก่ที่สุทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเล่าคือการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทํากาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากจำพวกสัตว์นั้นๆ ของจัดเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความตายภิกษุทั้งหลายความโศกเป็นอย่างไรเล่าคือความโศกการโศกภาวะแห่งการโศกความโศกในภายในความโศกทั่วในภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความทิกข์อย่างใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี้เราเรียกว่าความโศก ปิษิหล า, ายความร่าไรราพันเป็นอย่างไรเล่าคือความคร่ํำครวนความร่าไรลําพั น, การ ร, นการร่ำครวนการร่าไรําพันภาวะแห่งผู้คร่ําครวนภาวะแห่งผู้ร่าไ ร, รําพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี่เราเรียกว่าความร่าไรลําพัน ปิจุตายความทุกข์กายเป็นอย่างไรเล่าคือการทนได้ยากที่เป็นไปทางกายการไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางกายการทนได้ยากที่เกิดจากความกระทบทางกายหรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดจากความกระทบทางกายใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์กายปิจุตหายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่า คือการทนได้ยากที่เป็นไปทางใจการไม่ดีคือไม่สบายเป็นปกติที่เป็นไปทางใจการทนได้ยากที่เกิดจากความกระทบทางใจความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดจากความกระทบทางใจใดๆนี้เราเรียกว่าความทุกข์ใจภิกษุต้งหลายความคับแค้นใจเป็นอย่างไรเล่าคือความกลุ้มใจความคับแค้นใจ ภาวะแห่งผู้กลุ่มใจภาวะแห่งผู้ขับแค้นใจของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วนี่เราเรียกว่าความขับแค้นใจปิสิตลลายความระคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าเล่าคือในโลกนี้มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพะเหล่านั้น อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนารักใคร่พอใจแก่ผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความผาสุขไม่หวังความเกษมจากเครื่องผูกรันต่อเขาการที่ต้องไปด้วยกันการมาด้วยกันการหยุดอยู่ร่วมกันความปะปนกันด้วยกับอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี้เราเรียกว่าความรคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ปิจิุต์ายความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือในโลกนี้มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเหล่านั้นนันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจของผู้ใดหรือว่าชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุขหวังความกเกษมจากเครื่องผูกรันต่อเขา กล่าวคือมันดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงมิตรอมตหรือญาติสายโลหิตก็ตามการที่ไม่ได้ไปร่วมกันการที่ไม่ได้มาร่วมกันการไม่ได้หยุดอยู่ร่วมกันการที่ไม่ได้ปะปน ก, นกันกับด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้นนี่เราเรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปิจิตลายความที่สัตว์ปรารถนาสิ่งใด แล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังเป็นทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายเนออย่างนี้ก็ ข, ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ ความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราทั้งหลายไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาและความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายเนอก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ปิจุทลายความปรารถนาเกิดขึ้นแกหมู่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดามีความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาก็ข้อนี้ไม่ใช่สัตว์จะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ปิจุท้งหลายกล่าวโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้งห้าเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่านี้คือขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่รูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่เวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สัญญาขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่สังขารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แก่วิญญาณเหล่านี้แหลเราเรียกว่ากล่าวโดยย่อขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นทุกข์เหล่านี้แหละ คืออริยสัจคือทุกข์ปิสุทังหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่ากล่าวคือตัณหานี้นี่แหละที่ทําความเกิดใหม่ให้เป็นปกติเป็นไปกับด้วยอํานาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือตัณหาในกามตัณหาในภพและตัณหาในวิภพปิสุทังหลายก็ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนคือสิ่งใดในโลกที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีแต่นานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกนั่นคือตา หูจมูกลิ้นกายและใจรูปทั้งหลายความรู้แจ้งต่างๆการกระทบต่างๆความรู้สึกอันเกิดจากการกระทบต่างๆความจำหมายในรูปความนึกถึงรูปความอยากในรูปความตริหารูปความไตรตรองต่อรูปที่ตริหาได้แล้วแต่และอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รัก มีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตนานี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่นั้นนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ปิจิตต์หลายอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่ากล่าวคือความคลายคืนโดยไม่มีเหลือและความดับไม่เหลือ ความละวางความสลักคืนความผ่านพน้นความไม่อะไรซึ่งตัณหานั้นนั่นเดียวปิจิตรทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนก็สิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในสิ่งนั้นก็อะไรเล่ามีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกมันคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปทั้งหลายความรู้แจ้งต่างๆการกระทบต่างๆความรู้สึกมันเกิดจากการกระทบทางตาความจำหมายในรูป ความนึกถึงรูปความอยากในรูปความตริหารูปความไตร่ตรองต่อรูปที่ตริหาได้แล้วแต่ละอย่างทุกอย่างมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกปัญหานี้เมื่อจะละย่อมละได้ในที่นั้นเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ปีศาจหลายก็อริยสัตว์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลื่อยทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์แปดประการนี้นั่นเององค์8ประการคือหนึ่งความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบและความตั้งใจมั่นชอบ ปิกสุตหมายก็ความเห็นชอบหรือส ม, มาทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรเล่า <c oughs> คือความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือของทุกและความรู้ในหนทางอันเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอันใดนี้เราเรียกว่าส ม, มาทิฏฐิหรือความเห็นชอบปิกสุทม า, ายความดาริชอบหรือส ม, มาสังกปะเป็นอย่างไรเล่า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 หรือสัมมารกรรมันตะภิกษุทลายอาชีวะชอบหรือสัมมาอาชีวะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสําเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะภิกษุทัลายความเปลี่ยนชอบหรือสัมมาวายามะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลดำทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามปราลบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละเสียซึ่งอกุศลดำทั้งหลายอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจ ย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลดำทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดขึ้นเริ่มปลูกความพอใจย่อมพยายามปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพยบูนความเจริญความเต็มรอบ แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบพิสูจน์ทัหลายความระลึกชอบหรือสัมมาสตินั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณี น, นี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นเมทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีปกติ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินําความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติหรือความระลึกชอบปิจูตหมายความตั้งใจมั่นชอบหรือสัมมาสมาธินั้นเป็นอย่างไรเล่าคื อ, อในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลาย สงัดแล้วจากอากุศนต่ำทั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในวิหารต่านั้นได้เพราะวิตกวิจารณ์ระงับลงเธอจึงเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในนําให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิและตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้และเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเสืออยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเาทั้งหลายกล่าวสังเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เพ่งเสืออยู่ได้มีสติ อยู่เป็นปกติสุขและตั้งอยู่ในวิจฉาลตัณน์นั้นได้และเธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วรอยู่พิสุธรายนี้แหละเราเรียกว่าสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบ ตอนนี่แหละคืออริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เรื่องเหตุเกิดของอวิชาภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีแต่ว่าอาวิชาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายคากล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวต่อด้วยว่าอาวิชาย่อมปรากฏเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยดังนี้ปิจิตดทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม่วิชานั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาคำตอบพึงมีว่า นิวรทั้งหลายห้าประการนั่นแหละเป็นอาหารของอวิชชาปีคืทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม่นิวรณทั้งหลายห้าประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรทั้งหลายห้าประการคำตอบเพงมีว่าความทุจริตทั้งหลายสามประการ คือความทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละพิจิุรทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบพึงมีว่าการไม่สมรวมอินทรีย์เรากล่าวว่าถึงแม้การไม่สมรวมอินทรีย์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 เป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะคําตอบปึงมีว่าการทำในใจโดยไม่แยกข่ายหรืออนโยนิโสมานัสิการพิจารณาหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การทำในใจโดยไม่แ ย, ข ย, ออยกข่ า, า, กาใใ ย, ย, ายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทําในใจโดยไม่แยกข่าย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 ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคำตอบพึงมีว่าการไม่คบหากับคนดีคือการไม่คบสัตบุษริกชุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เมื่อมีการไม่คบกับคนดีคือไม่คบกับสัตบุตเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทําในใจโดยแยกคายให้บริบูรณ์เมื่ออโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทําความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทําการไม่สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สํารวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุรจริต ท, ทั้งหลายสา ม, ãos, มประการให้บริบูรณ์เมื่อทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอาวิชาให้บริบูรณ์ปิกสุดทั้งหลายอาหารแห่งอาวิชานี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ปิกสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่ำไหลไปตามที่ลุ่มย่ำทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่ำทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่ำทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่ำทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาข่อนให้เต็มอาหารแห่งมหาสมุทรสาขอนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้เรื่องเหตุเกิดแห่งวิชาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า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 คำตอบพึงมีว่าสติปรฐานทั้งหลายสี่ประการเรากล่าวว่าถึงแม้สติปรฐานทั้งหลายสี่ประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปรฐานทั้งหลายสี่ประการคำตอบพึงมีว่าสุจริตทั้งหลายสามประการถึงแม้สุจจริตทั้งหลายสามประการ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 ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทำในใจโดยแยบคายคำตอบพึงมีว่าศรัท ธ, ธาถึงแม้ศรัท ธ, ธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นธรรมชาติของสัตว์ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัท ธ, ธาคำตอบพึงมีว่าการได้ฟังพระสัต ธ, ธรรม ถึงแม้การได้ฟังพระสัตธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่ธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัตธรรมคำตอบปึงมีว่าการครบสับประรุษปิสุท้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลที่มีการครบสับประรุษคือคบกับคนดีเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการฟังพระสัธรรมให้บริบูรณ การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำการทำในใจโดยแยบ่ายให้บริบูรณ์เมื่อมีการทำในใจโดยแยบคายคือโยนิโสมนสิการเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เมื่อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสํารวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์เมื่อการสํารวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ครั้นสุจริตทั้งหลายสาประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลายสประการให้บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งหลายสประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโภชฌคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ทั้งหลายเจประการให้บริบูรณ์โภชฌงทั้งหลายเจประการบริบูรณ์แล้ว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 ย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มปิสุตตังหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาครนนั้น ย่อมมีแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้หังนี้ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการนำเสนอพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษนำเสนอโดยพระอาจารย์ไพบูลณ์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี นผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษได้ใหม่ในวันพฤหัสสัปดาห์หน้าทางรายการธรรมะรับอารมณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกานาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ